พระอานนุนจึงกราบทูลขอให้สรงแสดงปาฏิโมกแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ส่งนั่งนิ่งเมื่อมาชิมยามแห่งราตรีล่วงไปพระอานนุ์ก็กราบทูลเตือนเป็นครั้งที่สองแต่ก็ส่งนั่งนิ่งครั้นปัจฉิมะยามแห่งราตรีล่วงแล้วอรุณกำลังจะขึ้นพระอานน์ก็กราบทูลเตือนอีกเป็นครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสตอบว่า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 และเป็นธรรมหลายประการรวมทั้งอันตรายหรือเหตุที่ทรงอนุญาตให้หยุดสวดปฏิโมกได้1ิบประการคือ 1. พระราชาเสด็จมา 2. โจรปล้น 3. ไฟไหม้ 4. น้ำท่วม 5. คนมามากโดยข้อนี้เลิกสวดเพื่อทราบเรื่องหรือเพื่อต้อนรับ